แต่วิสัยของนักปฏิบัตินั้นจะนอนตายเปล่าๆโดยไม่นึกถึงอะไรนั้นยอมเป็นไปไม่ได้เพราะเราเคยกาหนดดูลมหายใจหรือสิ่งที่รู้ในจิตในใจมาจนชำนิชํานาญแล้วก็ย่อมมีการกาหนดลมหายใจเข้าออกพอเกิดมีการเคลิ้มหลับลงไปจิตก็พุ่งออกจากร่างกายแล้วก็ส่งรัศมีมาดูร่างกายซึ่งนอนยาวเหยียดอยู่